Beep. <whistles> ความนอบน้อมจึงมีแต่คุณพระรัตนตรยัยขอเจริญพรคุณยมแม่ตาวุท่ากัณพันประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินพิมพ์ติง้งพับลิชิ่งจำกัดมหาชนในฐานะผู้ถวายความอุปถัม์ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับสถาบันวิมุติยาลัยจัดกิจกรรม ทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบวงจรมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงโครงการกิเลสแมน a จเมน n ์ครั้งนี้ตลอดจนถึงผู้โดยบริษัทได้ยอมทุกท่านทุกคนที่มาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนกระทั่งถึงครั้งนี้อันนี้เรียกว่าขาประจำแล้วก็หลายท่านที่เป็นขาจรคือช่วงไหนที่ไม่ติดภารกิจสำคัญก็มาหรือช่วงไหนที่ติดภารกิจไปกู้ชาติก็เว้นวไป ก็ไม่ว่ากันพร้อมกันนั้นวันนี้มีแขกพิเศษคือครูบาอาจารย์รุงรู ป, ร ป, ร ป, รปทุกองค์จากขอนแก่นจากนนทบุรีวัดปากน้ําจากวัดอื่นๆมาร่วมสังเกตการพร้อมกับโมทนาศาสตรทุกการกับกิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรยายธรรมในครั้งนี้ด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่6ของคอร์ส l ิเล Management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 เราก็ชื่นใจมากที่ทุกท่านทุกคนยั ง, ยงคงมาก็ย่างต่อเนื่องเรือกกันได้เลยว่าอุ่นหนาฝาค้ังวันนี้ก็ยอดผู้จองเข้ามาก็ขึ้นสองพ2 0สองพันกว่าคนแต่พื้นที่จริงๆเรารับได้เต็มที่เนี่ยถ้าว่าอย่างเต็มที่ที่สุดนี้ก็จะอยู่ประมาณ6กเจ็ดร้อยคนเท่านั้นเองแต่วันนี้ก็ประมาณพันถึงพั้าอคนขึ้นไป ก็เป็นเรื่องที่น่านุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่แม้หลายท่านหลายคนจะเข้ามาแล้วเนี่ยหาที่นั่งลําบากมากเมื่อกี้ธรรมพระไปทําธุระข้างล่างก็ยังได้ยินญาติโยมบ่นบอกว่าเอออยู่ข้างล่างเนี่ยไม่เห็นพระอาจารย์แต่ว่าจะได้ยินเสียงไหมเขาคุยกันอยู่พอดีพอดีตมาเดินลงไปข้างหลังอาตมาเลยบอกว่าได้ยินสิเพราะฉะนั้นหลายท่านหลายคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในห้องที่หนึ่งเนี่ยนะคุณโยมนะก็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 ห้องข้างนอกนี้เราลุกจากตรงนี้ไปเดี๋ยวทางคุณยอมแม่ตาก็ใช้เป็นห้องถ่ายแบบของแพร่ข้างล่างแล้วนะห้องข้างล่างอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเปิดคอร์สพิเศษเมื่อวานเขาก็สอนกันแต่งหน้าเค้กันนะบางวันเขาก็สอนทําอาหารกันบางวันเขาก็เปิดอบรมนักเขียนกันเพราะฉะนั้นห้องทุกห้องเนี่ยทางอามรินนี่เรียกกันว่าเอื้อเฟื้อกันเต็มที่เลยห้องเหล่านี้เมื่อเราเดินจากไปก็จะไปทําภารกิจอื่นๆแต่ห้องที่สําคัญที่สุด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 หัวใจมีสี่ห้องซึ่งเราควรจะบรรจุธรรมะเข้าไปแต่คอสก l a n d Management มีตั้งหครั้งและแต่ละครั้งแต่ละครั้งอาตมาช่วยว่าทุคนที่มาได้พบกับสิ่งที่ดีๆหลายคนเมื่อจบคอสแต่ละครั้งมานั่งคุยกับอาต ม, มาพาคุณพ่อมาพาคุณแม่มาพาคุณลูกมาบางคนก็สามีมาก่อนแล้วก็กลับไปก็ไปชวนพันรย า, ามาบางคนมาตัวคนเดียว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 ตลอดเวลาที่ตรมภาพจัดคอสกิ a ล m a n a g e m น n t น, นี้ระหว่างนั้นนอกจากตรามาจะอำนวยการให้คอสนี้ดำเนินไปแล้วจะมีบ่อยครั้งที่ตรมภาพได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายธรรมและนำปฏิบัติข้างนอกเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเร็วๆนี้มีคุณคนหนึ่งเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งและมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้โอกาสไปออกรายการเจาะใจมีผู้ชมรายการเจาะใจบริจาค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 เป็นผู้ปลุกปลอบให้คนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั่วประเทศไทยมีชีวิตอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขคุณยมคนนี้ชื่อคุณยมหนูวันหนึง่งเธอก็ได้พาคุณแม่ของนิสิตคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตคนนี้เป็นเด็กเรียนดีระดับเกียรตินิยมเพื่อนเพื่อนรักกันทั้งคณะแต่ว่าพอสอบเอนทรานซ์ติดเท่านั้นเอง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 พฤหัสที่ผ่านมาเป็นคืนที่รายการเจาะใจซึ่งตามเก็บชีวิตน้องของคนเนตได้อ่อนแอไม่มั่นใจว่าน้องคนนี้จะมีลมหายใจเข้มแข็งมากพอที่จะนอนดูรายการโทรทัศน์ที่ตัวเองไปออกหรือไม่นะเพราะว่าพอเริ่มสองสามทุ่มของก่อนที่รายการเจาะใจจะออกอาการของเขาก็เข้าขั้นโคม่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและคืนนั้นตอนตีห้ายี่สิบนาที น้องที่เป็นอาสาสมัครมะเร็งคนนี้ก็ต่อสายโทรศัพท์จากข้างเตียงที่โรงพยาบาลสิริราชมหาตมาตอนตีห้ายี่สิบตมภาพนี้มีประสบการณ์นะโทรศัพท์ที่มาหลังเที่ยงคืนกลับมาตอนเช้าตรูน่นี่ไม่ดีเลยนะจะบอกให้คือถือว่ามาในเวลาวิกาลเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาตมามาเรียกอาตมาว่ามีโทรศัพท์ นาทีนั้นอาตมารู้ว่าจะต้องมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นพอรับสายคุณโยมหนูที่เป็นอาสาสมัครมะเร็งก็บอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะ่ะน้องนรุษอาการไม่ดีเจ้าคะ่ะน้องอยากฟังธรรมจากพระอาจารย์เจ้าคะ่ะนิมนพระอาจารย์เทศเลยนะเจ้าคะ่ะก็เลยเทศออนไลน์โรงพยาบาลศรีดีดาษนะที่ข้างเตียงของน้องก็เปิดสเปกโฟนทั้งคุณหมอทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งญาติ ก็เลยฟังกันอตาตมาภาพเทศอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงพอประมาณหกโมงเช้าพอธรรมาวางสายน้องคนนี้ก็ดับจิตไปอย่างสงบแล้วก็นี่ก็เป็นเหตุให้พอรุ่งขึ้นธรรมภาพก็เลยได้มีโอกาสไปเป็นประธานรถน้ําสวมให้กับน้องนรุธคนนี้ด้วยทั้งๆที่ในชีวิตไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าน้องคนนี้ได้อ่านหนังสือธรรมะที่อตาตมาเขียนมาโดยตลอด โดยจะพ้อยิ่งเล่มสพตากับความตายถือว่าเป็นคู่มือที่น้องคนนี้ได้อ่านแล้วก็เตรียมเล้ยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเรื่องการศบตากับความตายนี้เป็นส่วนหนึ่งขอ ง, ของคอร์สกิเลสแมนจ์เมนต์ที่พระอาจ า, ารย์ภัยารวิสาโลท่ทานบรรยายเอาไว้ถ้าเราไม่อยากให้วันเวลาของกฎแห่งกรรมนั้นมันเยอะเยอะือดรึนะ่ะก็บอกตัวเองว่าพอแล้วสําหรับการทิศยา ทันทีที่เรารู้สึกตัวว่าความริษยาเป็นอันตรายก็ขอให้ปล่อยให้วางทันทีที่เราปล่อยวางชาติภพของเรากับเขาคนนั้นขาดพึงลงทันทีแต่ถ้าเรารู้แล้วนะว่ามันไม่ดีแต่ยังไม่ปล่อยวางนะชาติภพของเรากับเขาคนนั้นก็จะยืดเยืย้อเรื้อรังยาวนานต่อไปในชีวิตจริงคุณยอมเคยเจอไหมใครบางคนที่แค่เจอหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ชอบหน้าเคยมีไหมได้ยินเขาพูดครั้งแรกเลยไม่ชอบหน้า เดือนที่แล้วตมาภาพไปแสดงธรรมที่จังหวัดพิจิตรน่ะพรนยาคุณยอมคนหนึ่งมาร้องไห้ให้กับอาตมาบอกว่าไปปลดสามีเขาหน่อยตมาถามว่าเป็นอะไรเธอก็บอกว่าสามีเครียดกับการเมืองมากเมื่อวานในเพิ่งยิงโทรทัศน์ไปเ <c oughs> ขาไม่ชอบหนะ้าไม่ชอบหนะ้าแกน้ำพันธมิตรนะพโรโผล่ออกมาให้สัมภาษณ์แกควักปืนลูกสองยิงเปรี้ยงเลยจอแตกเลย <c oughs> อย่างเงี้ยชาติภพยาว <c oughs> เห็นไหมจะเอาอย่างนั้นไหม รู้เะ่นนั้นตัดตอนเลยนะฆ่าตัดตอนชาติภพเลยนะอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเลิกริษยาเข้าไปมันก็จะจบกันในชีวิตนี้ประการที่5พัฒนาตนเองให้เหนือกว่าคนที่เราริษยาเพราะลึกๆที่เราริษยาเขาเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาเหนือกว่าเราเราจึงไปริษยาเขาก็อย่างที่ธรราภาพบอกไม่มีใครแต่หมาที่ตายแล้วและไม่มีใครไปยืนด่าเสาโทรศัพท์เสาโทรศัพและเสาไฟฟ้า ฉะนั้นถ้าเราดิสยาเขาหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในเขาเราอยากมีฉะนั้นถ้าใครมาริสยาเรานะหรือเราไปริสยาเขาเนะี่ยวิธีหนึ่งก็คือเอากิเลสมาล้างกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราสามารถเอาตัณหามาละตัณหาได้เอามานะมละมานะได้คำอธิบายนี้ดูเหมือนจะเป็นคาของพระอานนท์พระอานนท์ท่านบอกว่าถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นพระอรหรันเราก็อยากเป็นบ้าง ก็เลยพากันไปปฏิบัติธรรมในที่สุดก็ได้เป็นพระอระหันต์นี่เรียกว่าเอาตัณหาละตันหาเอามาณละมานะคือเอาอีโกโ้มาละอีโกโ้เช่นเห็นว่าคนอื่นเป็นพระอระหันต์ได้เขาก็คนฉันก็คนเขาทําได้ทําไมคนอย่างฉันจะทําไม่ได้นี่เอามานะมาละมานะก็ได้เหมือนกันอาตมาขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซึ่งถูกฤษาษีเยีใหญ่โตมโหลานระดับประเทศก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันกันกบอาตมา คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ถูกริษยาหาว่าเป็นศิลปินใหญ่เพราะว่าตั้งแต่แกเรียนที่ศิลปากรแล้วแกก็มีความคิดความฝันว่าจะเป็นศิลปินใหญ่เหมือนรุ่นพี่คืออาจารย์ถวันดัดชนยแกก็เลยวาดรูปแล้วก็แสดงงานบ่อยมากและแกก็ตัดชุดเสื้อมอหอมของแกนะสีน้ำเงินนะ่ะมันใส่แทนชุดคนทั่วๆไปแล้วเวลาเขามีงานที่ไหนไม่ว่าจะเชิญหรือไม่เชิญแกไปหมด เพื่ออะไรเพื่อให้สื่อนำเสนอภาพและข่าวของแกผ่านจอโทรทัศน์และเพื่อนๆ เ, เขาจะจัดงานที่ a อ a บ้าง British Council บ้างที่ไหนบ้างในหอศิลป์รษิษับ้างในมหาวิทยาลัยศิลปกรบ้างแสดงงานศิลปะแล้วก็ศิลปินทั้งหลายก็จะไม่ขายงานศิลปะเพราะถือกันว่าศิลปินนั้นเปรียบเส ม, มือนฤาษีเปรียบเส ม, มือนราชสีคือถึงจะอดอยากแค่ไหนก็ไม่ขอใครกินเพราะฉะนั้นศิลปินส่วนใหญ่ในยุคก่อนหน้านั้นจนมาก นะจนมากต่อมาอาจารย์เฉลิมชัยก็ไปแสดงงานในโรงแรมพอแสดงงานในโรงแรมก็มีคนสนใจมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวมีสื่อบนชนมาทําข่าวมากมายแล้วภาพของแกเนี่ยก็ขายได้จากนั้นก็มีฝรั่งมาสนใจแกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสื่อก็เริ่มเขียนถึงแกว่าเป็นศินลปินใหญ่วันหนึ่งแกเดินเข้ามาหาวิทยายลัยศิลปะกรพร้อมกับเสื้อเมืองห้อมตัวโปรดเพื่อนเพื่อก็ชี้นนะบอกว่าเฮ้ยลิกลิกิลศิ ล, ลปินใหญ่มาแล้ว <laughs> แกบอกว่าแกแคนมากวันหนึ่งแกไปแสดงงานที่โรงแรมบนเทียนครั้งนั้นขายภาพได้สองแสนห้ามืบาทเป็นข่าวเกลียวกราวมากแกเอาเงินจากการขายภาพครั้งนั้นมาซื้อบ้านเพื่อนเพื่อ น, นในแวดวงศิลปินจํานวนมากตราหน้าแกว่าเป็นผู้ที่ทําให้วงการศริละปะเมืองไทยตกต่ําถึงที่สุดเพราะเอางานศิละปะมาขายแบบแบกกระดินแกลุกขึ้นมาประกาศว่าเออกูไม่เป็นก็ได้ไว้ศิลปินอะ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 เสียใจด้วยอ้วกไม่มีเวลาวะจะสร้างวัดอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคุณโยมนะว่าหนึ่งคนที่ริษยาเราเขาจะอยู่ที่เดิมนะแต่เราซึ่งพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเลยไปพ้นไปจนเขาได้แต่งแงนคอตั้งบ่ามองดูเรานี่ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าเอากิเลสมาละกิเลสซะเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลมาก อาตมาเองตอนที่ยังเรียนไม่จบรเรียนาธรรมเก้าประโยคเคยถูกริษยาตอนนั้นเรียนอยู่แค่ป ร, ริญญาธรรมเจ็ดประโยครุ่นพี่สอบได้ปริียนธรรมแปดประโยคและปีต่อมาเขาก็ได้เก้าประโยคนะมาแซวอาตมาถึงกุติเลยนะว่าโหเนี่ยนะตั้งใจมาจากเชิงรายเนี่ยนะนะเพื่อมาเรียนป ร, ริญญาธรรมเจ็ดเองเหรอเอาให้ได้นะถ้าไม่ได้ปีหนะ้าจะอยู่นะ กฎวัดมีสามปีต้องได้ต้องได้นะถ้าสามปีสอบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องออกจากวัดนะธรตมาภาพนี้เป็นคนที่ชอบมากนะถือว่าถือว่าคำท้าทายหรือความอิจฉาริษยาจากคนอื่นนะเป็นการป้อนอาหารให้อรรมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาริษยามธรมาจะบอกว่าขอบคุณอย่างลึกซึ้งเพราะมันเกิดแรงในการมุหมานะธรรมเคยเขียนเอาไว้ว่าขอบคุณทุกความริษยาที่ทําให้ธรรมลุกขึ้นสู้ แต่มาภาพรู้ดีว่ามีคนจับตาดูมีคนที่ริษยาเราอยู่แตพ่อก็เลยบอกตัวเองว่าเธอต้องทำให้เขาดูนะว่าที่เขาจับตาดูเธอนั้นนะเป็นการจับตาดูคนที่ถูกต้องแล้วแล้วบอกเขาด้วยว่าอยากกระพริบตาภายในสามปีจบปเรียนทำก้าวประโยค์เรียบร้อยแล้วเราไม่จบแค่นั้นนะเราจบปเรียนทำก้าวประโยชค์เราจบปริญญาโทด้วยนะเหนือกว่าคนที่ริษยาเราไปขั้นหนึ่งนะ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 เห็นไหมในที่สุดก็หายกันไปไม่มาชูช้จีดูจิกวนใจอะไรกับเราได้อีกเอาต่อไปประการที่หกนะผูกเมตตรีด้วยแผ่เมตตาและเอาเขามาเป็นพวกอราฮัมลินคอนบอกว่าวิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุดก็คือทำศัตรูให้เป็นเม็ดฉะนั้นถ้าเรายังริษยาเขานี่มันก็จะสืบชาติสืบพพนะวงจรของความอิจฉาริษยาก็จะยืดเยื้อยาวนานไปเดินเข้าไปหาเขานะ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 แล้วก็ต่อไปประการที่เจดมุทิตาคือพลอยโมทนาไปกับเขาเห็นเขาได้ดีมีความสุขให้ยกมือสาธุขอนนโมทนาด้วยนะคุณเนี่ยเก่งจริงๆเลยเนาะโอ้สักวันหนึ่งฉันน่าจะทำให้ได้อย่างคุณนะออ้ดีจังเลยนะพ่อมหาจำเริญ น, นะเนี่ยเป็นลูกใครเนี่ยพ่อแม่นี่มีบุญตายเลยนะเนี่ยเออโมทนาไปกับเขาแล้วสังเกตนะถ้าเราเห็นใครได้ดีมีสุขถ้าเราพลอยโมทนานะ ใจิตใจเรานี่จะเปลี่ยนทันทีเลยนะมันจะเบิกบานนะผลิบานขึ้นมาทันทีทันควันแต่ถ้าเราเห็นใครได้ดีมีสุขล้วเราบอกว่าเชือได้รางวัลมาไม่รู้ว่าได้ด้วยเงินหรือได้ด้วยอะไระถ้าคิดอย่างนี้นะคิดแล้วสุขไหมทุกเนะื้อบางดีเห็นออกทีวีเชือพวกนี้พวกสือส่อสื่อเนี่ยแล้วใครคิดอย่างนี้นะอย่าไปนึกนะว่าใจเขาจะสุขเขาจะทุกข์ เพราะถ้าเขาสุขเขาจะไม่เริ่มต้นด้วยคําว่าเชิญตามคำนี้พูดออกมานี่มันมันเป็นสัญญาณอยู่ในทีนะว่าคนมีความสุขเขาไม่พูดกันหรอกนะใช่ไหมคนมีความสุขเขาจะบอกว่าโอ้ยดีจังเลยเนี่ยเมืองไทยเรามีคนเก่งเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะพระสารีบุตรแนะวิธีโมทนาเอาไว้ดังต่อไปนี้นะว่าถ้าเห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาดีกว่าเราให้เรายกมือโมทนาว่าสาธุคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ยเขาเก่งจริงๆเนาะ โอ้โหเป็นต้นแบบให้เราได้เลยนะนี่เห็นไหมไม่ต้องไปเฉาบรรพระบารุษของเรานะถ้าเห็นคนรุ่นเดียวกันได้เดบได้ดีมีความสุขโอ้โหนี่คนรุ่นชั้นเนี่ยนี่รุ่นสองห้าหนึ่งหกนี่คนเก่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูสิเนะี่ยแมรุ่นชั้นนี่มันรุ่นประวัติศาสตร์จริ ง, รงๆคนนั้นก่เก่งคนนี้ก่เก่งโอ้โหเก่งหมดเลยยกเว้นชั้นคนเดียวแน่หัดท่อมตนซะมัง่งแล้วจิตใจมันเจอเรื่นเรืองเบิกบานนะ แต่ถ้าเราบอกว่าคนโน้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งแต่เสืออย่างเดียวยังสู้ฉันไม่ได้อันนี้ยังไม่ดีนะอันนี้ยังก้าวข้ามลิสยาอ่อนๆไม่ได้ถ้าก้าวข้ามลิสยาได้จริงๆคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งฉันไม่เก่งอยู่คนเดียวนี่หัดถมตัวลงมาอย่างนี้จิตใจของเราจะเบิกบานด้วยมุทิตาถ้าเรามุทิตามากๆนี่คุณยอมเชื่อไหมจิตใจพลีบานคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง อุปมาเหมือนดอกบัวที่มุทิตาต่อแสงตะวันคืนนั้นทันทีที่บัวตูมโผลพ้นน้ำขึ้นมารุ่งเช้าแสงแรกสาดมาต้องดอกบัวตูมดอกบัวตูมมุทิตาต่อแสงตะวันผลิบานดอกออกรับแสงตะวันเลยบานสมบูรณ์แบบเห็นไหมที่บัวบานก็เพราะบัวนั้นมุทิตาต่อแสงตะวันบัวที่เห็นแสงตะวันสาดมาต้องและไม่ยอมมุทิตาเชันไม่เอากแก่หรอก ก็จะเป็นแค่บวชตูมต่อไปไม่มีอนาคตนะเป็นบวที่ไม่บานก็ไม่มีคนเห็นคุณค่าขณะเดียวกันถ้าฝนตกลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยในค่าคืนนั้นรุ่งเช้านั้นมีเห็ดจานวนนับหมื่นนับแสนนับล้านดอกซุกตัวอยู่ใต้ผิวดินพอหยาดฝนสาดมาต้องเหนือผิวดินเห็ดเหล่านั้นมุทิตาผลิบานขึ้นมากับสายฝนเห็ดเหล่านั้นก็เป็นเห็ดที่สมบูรณ์เ ห, เหน็นหรือยัง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 2. ในยามที่มีปัญหาให้เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่าใจจืดใจดำามในยามที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขเปิดใจให้กว้างแล้วพลอยมูธิตาทีนี้ละ่ะเราจะมีส่วนในความสุขความสำเร็จของเขาและจิตใจของเราก็จะเบิกบาน 4. ถ้าเขากาลังขัดแย้งกับธรรมะหรือขัดแย้งกับกฎหมายหรือคนกาลังขัดแย้งกับธรรมะ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 คนไทยจะทําไม่ได้นะคนไทยจะสอบตกตรงมุทิตาเนี่ยนะเห็นพาราดอนไปได้ชัยชนะมากลุ่มหนึ่งมุทิตากลุ่มหนึ่งตั้งป้อมรังเกียร์เขาเห็นทาทายังไลออกจากแกรมมี่ประกาศว่าจะโกอินเตอร์ตั้งชมรมเกลียดทาทา <c oughs> แล้วไปโพรนนาด่าเขาในอินเทอร์เน็ตทําไมเราต้องทําเช่นนั้นด้วยทําไมเราไม่ค่อยมุทิตานี่แหละเมตตาก็สอผ่านการุณาก็สอบผ่าน พอมามุทิตาสอบตกกราวรู้เลยคนไทยเนี่ยพระอุเบกขานี่หนักเลยวางเฉยไม่เป็นเลยนะว่างเฉยไม่เป็นแต่อยู่เฉยเฉยเนี่ยเป็นอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าพวกเป็นกลางนะฝั่งโน้นฉันก็ไม่เข้าข้างฝั่งนี้ฉันก็ไม่เข้าข้างฉันอยู่เฉยเฉยแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเป็นกลางจริงๆพวกนี้อัตมาภาพขอเรียกว่าเป็นพวกแทงกัก๊กใครชนะฉันเข้าด้วยเห็นไหม เมตตาสอผ่านกรุณาสอบผ่านแต่พอมุทิตามักจะสอบตกเพราะฉะนั้นใครจะสอบตกเรื่องมุทิตาช่างเขาขอให้เราอย่าไปสอบตกด้วยคนหนึ่งนี่แหละขอให้เห็นคนอื่นแล้วยกจิตยกใจให้สูงบอกตัวเองว่าสาธุขอให้พ่อรักษาคุณงามความดีเอาไว้ให้ยาวนานเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะพ่อนะอ้ยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ฉันนี่เขาเก่งจริงๆนะโอ้โหคนรุ่นฉันเนี่ยยอดจริงๆนะอูยเด็กรุ่นน้องฉันนี่แหม อายุแค่นี้ก็เก่งแล้วหมายเมืองไทยนี่มีอนาคตแล้วนะคนสามรุ่นเห็นไหมที่ได้ดีมีความสุขเราไม่ริษยาใครเลยจิตใจเราเบิกบานไหมเราจะมีความร่วมเย็นเป็นสุขอยู่กับใครเราก็ไม่ทําร้ายใครถ้าเราไปทํางานในองคอ์กรเราก็จะเป็นคนที่นายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็จะช่วยเพราะเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีหัวใจอัน ง, งดงามลําเลิศ ด, ด้วยมุทิตาฝึอกเยอะๆนะมุทิตาเนี่นะ ใครมีมุทิตาคนนั้นหน้าตาจะยิ้มแย้มแจม่มใสเพราะมุทิตานั้นบางทีเราก็เรียกว่ามุทุตาแปลว่าภาวะที่จิตใจนั้นนุ่มนวลและอ่อนโยนถ้าภาวะจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางนะไม่ต้องใช้ไอ้น้ำครีมเดครีมไม่ต้องใช้นะสบายเลยเขาจะใสผุด่องเป็นยองใหญ่อยู่อย่างนั้นเพราะเรามุทิตาแล้วก็ประการที่8สุดท้าย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 เวลาเราจะริษยาใครนะเราจะใช้อดีตมาเป็นอารมณ์เรียกว่าอาติตารม์คือเราจะนึกถึงเรื่องราวที่เป็นอดีตที่เขาทำต่อเราที่เขาทาไปแล้วแล้วก็เก็บมาหมกมุ่นคุ่นคิดเราใช้อดีตมาเป็นวัตถุสำหรับเคียวเอื้องในการทำงานทางด้านริษยาคนอื่นฉะนั้นถ้าเรามาฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการตื่นรู้ดูใจในทุกๆเอรญาบด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 ขาดใดที่กิเลสมีขณะนั้นสติก็ไม่มีโดยเหตุดังนั้นถ้าสติอยู่กับใจนะริสยาเข้ามาไม่ได้นั่นแหละฝึกใจให้ตื่นรู้อยู่เสมอแล้วใจก็จะไม่เอาริสยามาเป็นอารมณ์ใครทำได้คนคนนั้นก็จะเป็นอนุพุทธคือผู้ที่รู้ผู้ที่ตื่นผู้ที่เบิกบานน้อยๆขึ้นมาในฉับพลันทันทีฉะนั้นการเจริญนิพพานากรรมฐานจึงเป็นวิธีการประหารความริสยาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดลองทาดู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 เราว่างเขาว่างตัวริศยาก็ว่างตัวริศยาไม่มีที่จับไม่มีที่เกาะในที่สุดก็อนตรทานไปมีแต่ความว่างเราก็ว่างเขาก็ว่างริศยาก็ว่างเมื่อว่างกับว่างมาบวกกันก็เป็นว่างอย่างยิ่งเป็นปารมสุ s u d d h เป็นความว่างอันไพศาลในความว่างอันไพศาลนั้นกิเลสที่ชื่อริศยาลงจับอะไรไม่ได้เลยและเหตุดังนั้นเราจึงไม่ถูกความทุกข์เพราะริศยา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 พอก่อตัวขึ้นมาในใจของเราไม่ได้ใจของเราก็เป็นใจที่รู้ตื่นเบิกบานทุกคืนทุกวันก็มีแต่ความร่วมเย็นแล้วก็เป็นสุขนี่แหละคือการจัดการความริษยาขัน้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกท่านน่าจะลองไปฝึกทําดูนะเอาละตอนนี้ก่อนจะเข้าช่วงที่สองอัตมภาพมีแบบฝึกหันดน้อยๆให้เราทุกคนทํานะทุกคนยืดตัวขึ้นมาเอาละประสานมือไว้ตรงหน้าตากนะ ประสานมือไว้ตรงหน้าตักเอาแล้วหลับตาลงยินม น, น้อยๆให้ตัวเองนะที่วันนี้เนี่ยถ้ากลางเวืองไทยที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเต็มไปด้วยอันตรายระเบิดจะมาจากทิศไหนทางไหนก็ไม่รู้ในขณะที่เขาพากันไปอยู่ถามกลางความขัดแยง้งความรุนแรงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราก็พากันมาเข้าสู่โลกของธรรมะ ไม่ใช่ง่ายที่คนส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้ามาหาธรรมะแต่ทั้งๆที่การหันหน้าเข้าหาธรรมะเป็นไปได้ยากถึงกระนั้นเราก็ได้พาตัวเองเข้ามาสู่ร่มของธรรมเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอย่าให้เสียทีที่อยู่ในร่มเงาของธรรมะเราควรจะมาพิจารณาตัวเองนะเอาแล้วจากนี้พิจารณาตัวเองสิว่าในชีวิตของเรายังคงมีใครสักคนที่เราริษยาเขาไหมพิจารณาด้วยใจเป็นกลางนะคุณโยมนะ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 กลับนมัส ก, การพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนะคะสำหรับท่านผู้เข้า ม, มาร่วมกิจกรรมกิเลสแม a จเมนต์ทุกท่านนะคะ<ม>ก็บาาุมบรรดาวงผู้ดีค่ะต้องแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังมไม่เคยรู้จักเพราะว่าเป็นดารานา<ม>ใหม่นะคะ<ม>ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับเลือกนะคะในหัวข้อนี้ลิศยาตอนที่น้องเขาติดต่อมานะคะรู้สึกว่าทาไมต้องเป็นหัวข้อนี้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 โดนขโมยชุดนอนกันบ้างเาวันนี้บุ๋มไม่ได้โดนนะนะคะแต่ในนั้นจะมีอะไรแปลกๆเดินพูดจาเฉียดเขาบอกว่าบุ๋มเป็นตัวเกรงบุ๋มเป็ตัวเกรงพวกเข้าประกวดบุ๋มก็เดินมาเดินผ่านป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลนางงามทั้งหลายแล้วเขาก็มองหัวจดเท้าแล้วก็พูดหึขาใหญ่เผาขนเลยนะคะขาใหญ่แล้วก็โอ้รู้นะไม่ต้องบอกก็ได้ รู้ตัวอยู่ก็ได้แต่เดินเงียบๆไปนี่คือสิ่งที่เจอเจอคือไม่ใช่ว่าดีแล้วเราก็จะมีความสุขเสมอไปแต่ถ้าเกิดเรามานั่งคิดนะคะบุ๋มเองมานั่งคิดว่าอ้าวแต่ถ้าเกิดบุ๋มไม่ทําตัวให้มันดีให้มันได้กรรมการจะเลือกบุ่มไหมบุ๋มก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าบุ่มเองก็ไม่ใช่คนที่สวยที่สุดคนที่สวยที่สุดบนเวทีประกวดเพราะว่ามีคนหนึ่งตอนได้ตําแหน่งแล้วล่ะมีผู้ชายคนนึงทํางานอยู่ในวังเดินเข้ามาหาบุ๋มแล้วพูดว่า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 หรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามานั่งเครียดว่าอุย้ยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยแล้วฉันจะทํำยังไงแล้วฉันจะดูแลตัวเองยังไงแล้วทำไมฉันถึงไม่สวยกับเขาบ้างทําไมฉันไม่ได้ตําแหน่งดีๆกับเขาบ้างทําไมฉันไม่ได้งานอย่างนี้บ้างมันเครียดค่ะสู้ผมเอาทุกวินาทีเนี่ยทุกวินาทีนะคะที่บุ๋มกําลังคิดอะไรเรื่องพวกนั้นนะบุ๋มกลับมานั่งมองตัวเองว่านะวันนี้ฉันต้องทําอะไรมากกว่า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 มีเวลาไปตามที่ต่างๆหรือว่าตามทํางานในแวดวงต่างๆก็ทําไมเราไม่ได้งานนี้มั่งอ่ะทําไมงานได้ตังค์ไม่เรียกเราเลยงานประกันกุศลเรียกจังเลย <seriously, S 1> ฉันก็ต้องกินข้าวนะไม่ใช่กินแกลบหรือว่ากินหรือแกลบก็แพงนะเดี๋ยวนี้เออทําไมล่ะทําไมเป็นอย่างนี้ได้ก็คิดน้อยเนือ้อต่มใจมีเครียดเหมือนกันแต่พอมานั่งนึก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 เด si ี๋ยวก็มีเรื่องตรงโน้นเดี๋ยวก็มีเรื่องตรงนี้เดี๋ยวก็หาว่าเปิดฟาร์มเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยนะอาตมาก็รู้ว่าไม่จริงนะไม่จริงหรอกหรือจะจริงก็ได้อาตมาก็ไม่รู้อีกนะก็ถ้าปลอดภัยที่สุดอย่าไปในที่ที่เราไม่สบายใจมีพุทธศาสนสุภาษิตตรัสเอาไว้ว่าถ้าบัณฑิตพิจารณาเห็นแล้วว่าคนคู่เวนอยู่ตรงไหนไม่ควรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพราะการอยู่ในสถานที่ที่มีคนคู่เวน แม้คืนเดียวก็มีความทุกข์เห็นไหมนี่เป็นวิธีที่หนึ่งแล้ววิธีที่สองถ้าคุณยอมพิจารณาแล้วว่าไปงานนี้ถึงแม้จะสูมเสียงหน่อยแต่ว่าแต่พิจารณาในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ธรรมดานะชั่วโมงละตั้งห้าหมื่นเจ็ดมื่นนะอูอย่างนี้ก็ไปเถอะนะแต่ว่าก็ขอให้อย่าประมาทก็แล้วกันบางทีในส่วนของสภาพจิตใจอะนะคะพอเราคิดว่าโอ๊ยเราต้องเจอเจออะไรใครมาอิจฉาเราหรือว่าเราไปอิจฉาเขามันมีแต่ทุกข์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 บุ๋มเอมีคนถามว่าบุ๋มโดนข่าวเยอะจังเลยพระอาจารย์ติดตามนะคะดีจังเป็นข่าวเยอะจังเลยบุ๋มรู้ว่าบุ่มเป็นข่าวเยอะมากและเป็นข่าวง่ายมากอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาดูรุนแรงดูดูเป็นคนพูดตรงตรงตรงไปตรงมาดูเป็นผู้หญิงมั่นใจแต่ผู้หญิงมั่นใจก็เจ็บเป็นนะคะแต่จะให้ทํายังไงจะให้นั่งร้องไห้หรือยืนร้องไห้ให้สื่อดูก็คงไม่ใช่บุ๋มอีกจะให้มานั่งเครียดแล้ววิ่งหนีจะให้บุ๋มวิ่งหนี ออกจากวงการมาเถองดีไหมฉันไม่อยากจะทําเคยคิดแรกๆเคยตอนที่โดนเขาเยอะๆเคยแต่กลับมานั่งคิดตัวเองค่ะว่าแล้วฉันจะหนีไปไหนหนีไปทํางานในบริษัทแล้วคิดว่านิสัยอย่างบุ๋มจะทํางานไม่ให้เต็มที่เหรอก็คงไม่ใช่แล้วก็โดนนินทาอีกแล้วโดนดินทาอีกแล้วยังไงวิ่งหนีอีกหรือเปล่าดังนั้นถ้าแวดวงมันเป็นอย่างนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้บุ๋มจะไม่หนีค่ะ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 เราอะผู้หญิงเราจะมากจะเป็นนี่แกดูคนนั้นสิพอเริ่มเอียงปุ๊บถาว่าคนที่เดินเข้ามาเขาจะไม่รู้เหรอเขาว่าคุณกําลังดินถาเขาอยู่รู้นะคะแล้วก็เริ่มเกรงแล้วเขาก็จะไม่ชอบที่หน้าคุณด้วยถูกไหมคะสร้างศัตรูโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่คุณกําลังชมเขาเราจะชอบแบบเอยดูคนนั้นมันเป็นปฏิกิริยาที่คุณไม่รู้ตัวความอิจฉาเลสยาหรือว่าแม้กระทั่งพูดถึงก็ตามหรือเปิดตามหน้าหนังสือพิมพ์เตอร์ตามหน้าสือ่อพอเจอปุ๊บ วิ้ยนักเอกคนนี้สวยจังหมมีข่าวเยอะวิ้ยเนี่ยคนนี้สวยจังทำจมูกอุ้ยคนนี้ร้องเพลงดีหัวล้านอะไรก็ตามเราต้องหาข้อติเขามันเหมือนกับว่าทำแล้วสบายใจกูจอมผมเจ้าขาแต่มามีประสบการณ์ตรงนะเอาละสิแตมาเคยไปชมดารา บ, บางคนแล้วมีคนมากระซิบพระจารย์ไปชมมันทำไมนี่คือเขาไม่ชอบกันอยู่แล้วนะล่ามมาถึงกระดมาด้วย <laughs> นี่สดแสดงว่ามนุษย์เรานี่ก็แปลกนะมีความสุขกับการที่ได้เห็นความทุกข์ของคนอื่นน ะ, ะเพราะฉะนั้นสดแสดงว่าคุณโยมบุมกำลังอยากจะบอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าเราจะชมใครเนี่ยชมอย่างเปิดเผยมไม่ต้องไปทำท่าลี้ับอะไรใช่ไหม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 มันจะมี <ừ> m, อะไรบางอย่างที่เราจะไปเผล่นั่นไงคนนั้นอนะทำหน้าอกก็จะไปเผลอมองหน้าอกอืมอย่างเงี้ยก็ไม่ไหว <laughs> <laughs> อย่ารู้เลยดีกว่าก็มาแล้วเป็นพะนระนี่ปลอดภัยเนาะเมื่อใครไม่ต้องมาพูดเราไปทำหน้าทำผมทำอะไรมา <laughs> หมดห่วงจริงๆนะดีแล้วเจ้าค่ะทีนี้ต้องถามผู้ที่นั่งฟังบรรยายบ้างดีกว่าว่ามีประสบการณ์อะไรกันบ้างถามขึ้นมาเลยนะนะคะคือจากบุ๋มมีการแบ่งปันไปแล้วก็คงยังต้องจะเจออะไรอีกต่อไปเพียงแต่ว่าอ่ะขอยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันมีน้องคนนึงบุ๋มมีเว็บไซต์อยู่่นะคะบุ๋มบรรดา .com ก็จะให้แฟนคลับหรือใครก็ตามที่อยากจะถามอะไรปรึกษาอะไรเนี่ยอีเมลเข้ามาก็มีน้องคนนึงเขาเขียนอีเมลเข้ามาเนี่ย หนูมีเพื่อนที่รู้จักอยู่คนหนึ่งซึ่งเชื่อใจได้มากเลยนะคะเขาบอกว่าพี่ตอนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยแรดแๆดมีผู้ชายเขาภัยค่ะนึกว่าพระไม่อยู่ห้องนี้ลืมตัวหนูเล่าให้ฟังนะเพื่ออัธรสดในการบรรยายแรดแๆดมีผู้ชายเยอะยมากมายเนี่ยพี่ม่วมากมากเลยจริงหรือเปล่าคะยังอุตส่าห์มาถามก็เลยอีเมลตอบกลับไปนะะอีเมลตอบกลับไปว่าน้องคะ ถ้าน้องมีปัญหาขับคล้องใจขนาดนี้จริงๆเนี่ยน้องมาคุยกับพี่ดีกว่าจะได้รู้จักกันจริงๆดีกว่าไปฟังจากคนอื่นเขาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าน้องเห็นรูปพี่สมัยตอนมหาพิยชัยน้องจะไม่คิดอย่างนั้นกับพี่เลยอีกแบบหนึ่งนะคะวันผมน้ําหนักประมาณแปดสิบได้นะคะมีชีวิตที่แฮปปี้มากกินได้อย่างสบายใจไม่เหมือนตอนอยู่ในวงการมีตังค์แต่กินไม่ได้นะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ย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 มีคนตอบรับเยอะเรื่องของการเล่นเป็นนางร้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าบุมพยายามจะตั้งคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวอิดฉา mm hmm. คือจะไม่พยายามทุกเรื่องเล่นเหมือนกันหมดแกแก่แกจะฆ่าแกอะไรแค่นี้มันน่าเบื่อสำหรับตัวบุมบุมจะตั้งว่าอ๋อในอิดฉาตัวนี้ระดับการศึกษาเป็นยังไงบุมคิดถึงแบ็กกราวนี่สร้างเรื่องเอาเองแม้ทั้งคนเขียนบทไม่ให้บุมมาก็ตามสภาพครอบครัวเป็นยังไง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 แกฉันจะค่าแกอันนี้คือแบบเป็นพวกที่อาจจะไม่ไดอยากเก็บกดอะไรออะไรก็พูดเปิดเผยไปเลยแต่บางทีบางคนเนี้ยคิดมานานแล้วแล้วมันคิดมานหนักมากต้อคิดจะทําจริงๆก็แกฉันจะฆ่าแกมันจะเห็นไหมคะประโยคเดียวกันแต่มันได้อารมณ์ที่ต่างกันมันก็จะต้องมีอินเนอร์เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยมันต้องมีจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะของอาจารย์เฉลิมชัยที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังเป็นทุกอย่างเลยนะมีวันหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่า ตื่นเช้ามาแกก็เห็นโยอมมาแล้วก็ไปชี้หน้าด่าเลยนะแล้วแกก็ลืมไปว่าไม่ใช่คนของวัดจ <laughs> <laughs> นเขาบอกว่าอาจารย์ข้าหนูมาจะกรุบทรอคะ่ะ <laughs> แต่แกด่าไปแล้ว <laughs> เห็นเลยก็เป็นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบนะเอาละมีใครจะถามเชิญเลยนะคุณผชมนะในในห้องนี้ก็ได้นะถ้าใครจะถามยกมือเลยมีไหมคะ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 ก็ถอนตัวออกมาแล้วก็บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะวางอุเบกขานี่ใช้3วิธีนะวิธีแรกก็ลองไปศึกษาดูว่าอะไรทําให้เขาไม่ยอมคุยกันทําให้ไม่สามัคคีกันไม่สมานฉันท์กันวิธีที่สองก็เข้าไปคุยนั่นแหละแต่ให้ระมัดระวังให้มากอย่าให้พลาดพลั้งขึ้นมาจากผู้ปรารถนาดีกลายเป็นผู้ประสงค์ร้ายวิธีที่3เมื่อพิจารณาทุกแง่ทุ ก, งงทกมุมยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็บอกเข้าไปว่าแล้วแต่คุณเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละเนี่ มันต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำได้นะเอาถามดีมากเลยแต่มาภาพมอบซีดีนะจะสิ่งพรรศษของชีวิตให้หนึ่งชุดมารับเลยเอาประมือให้กาลังใจหน่อยปกติเนี่หาได้ที่เซเวนวันนี้จะให้ที่นี่นะ <c oughs> เห็นไหมมีคำถามมาค่ะพระอาจารย์คะบอกว่าสถานภาพเป็นน้าค่ะอายุ4ี่ปีและหลานมักจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องน้อยอกน้อยใจพ่อแม่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 ในที่สุดมันก็เลยแสดงออกเป็นผลข้างเคียงเช่นเป็นโรคน้อย อ, อกน้อยใจพอเป็นโรคน้อย อ, อกน้อยใจในระหว่างนั้นถ้ามีใครมาอยู่ตรงกลางนะเหมือนคนที่ตกน้ำํำขอนไม้ลอยมาเขาจะคว้ า, าไว้ในที่สุดก็จะเอาคุณนานี่แหละเป็นที่พึ่งที่พิงอาการอย่างนี้เนี่ยแต่ามาคิดว่าเป็นเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะักคือยังไม่ใช่ริษยาเป็นแค่การแสวงหาคนที่คิดเหมือนกันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหลานๆมาปรึกษาคุณนะก็พยายามนะ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 ไม่ใช่แม่อยากเป็นผีการพนันนะลูกแต่แม่เหงาพวกเองไม่มีใครอยู่กับแม่สักคนได้ให้แม่ทาําไงพอแม่พูดอย่างนี้เท่านั้นเองเธอก็น้ําตาไหลแบบไม่มีเสียงเลยนะก้มลงกราบที่แม่เลยเธอเพิ่งรู้เดี๋ยวนั้นเองว่าเหตุ <c oughs> ที่ผลักดันให้แม่ไปเล่นไพ่เล่นการพนันเป็นขาไพ่ประจําเพราะลูกๆเอาแต่ทํางานส่วนนุ้ลูกมองในมุมกลับกันว่าส่งเงินเท่าไหร่แม่ไปเล่นพนันหมดแท้ที่จริงตัวปัญหาคือตัวลูกๆนะ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 เรนะต้องระวังให้ดีนะอย่าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากสัมพันธภาพกลายเป็นสัมพันธ์ทลอดนะตรงนี้ต้องระมัดระวังเอาใครเป็นเจ้าของคําถามเชวญมารับของที่ระลึกเลยค่ะมีไหมคะอยู่ถ้า <ใน S 1> มี<อ>เชิญนะ<ป>ห้องไหนก็ได้ไ<ป>ก็อันนี้ก็คงคงต้องหาโอากาสจับเขาคุยกับคุณแม่ให้ดีนะว่าคุณแม่คะคุณแม่ทําอย่างนี้หลานเขาน้อยใจนะคะวันหนึ่งคุณแม่อาจจะเสียหลานดีๆไปก็ได้ ถ้ามคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเปิดเจรจาสันติภาพนะคุยกันคุยกันตามภาษาคนในครอบครัวนะถือว่ายังไม่รุนแรงนะคุณเดียมนะคุยกันตอนนี้ยังทันนะขอโนมโมทนาด้วย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 ไม่มีใครอยากใช้แปลงสีฟันร่วมกับใครเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ในเบื้องต้นตมาก็ขออนุโมทนานั้นที่คุณโยมยังยังสนใจมาสแสวงหาธรรมะเอาไว้เพราะถ้าไม่สแสวงหาธรรมะเอาไว้ต่อไปเมียน้อยคนนั้นอาจจะเคราะห์รายได้ฉะนั้น ว, วิธีที่ดีที่สุดนะถ้าถ้าสามียังคงยินดีที่จะรักทั้งสองคนตมาว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราคงต้องทําใจ นันถ้าไปทำอย่างอื่นอาจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็ได้นะฮะฉะนั้นให้ทําใจให้กว้างขวางเหมือนกับใจเรานี้เป็นอากาศบรรจุอะไรเข้าไปก็ไม่เต็มนะหรือเหมือนกับใจของเรานี้เป็นแผ่นดินเอาอะไรไปเททิ้งบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ลุกขึ้นมากลด่าประท้วงหรือบางทีก็ทําใจของเรานี้ให้เหมือนกับแม่น้ําที่ใครเอาไฟไปจุดก็ไม่ติดนี่เป็นวิธีทําใจที่พระพุทธเจ้าแนะเอาไว้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 เหมือนกันที่ครั้งหนึ่งที่นายสอนหลงประษฐ์ไพเราะนะไปประชันระนาดกับคุณอินแพ้ย่อยยับคนก็ปรามาสว่าจบแล้วสำหรับชีวิตของนายสอนในหนังเรื่องหอมโรงนะแต่คนยอมเชื่อไหมหลังจากที่แพ้ครั้งใหญ่จนสะบักสะบอมครั้งนั้นนายสอนเลิกตีระนาดหันไปฝึกเป่าปีสี่หปีต่อมาประชันปีคุณอินแพ้ยับเลยเอาดีทางระนาดไม่ได้ก็เอาดีทางปีก็ได้ เนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันมีหลายมิตินะถ้าไม่ประสบความสําเร็จในฐานะเมียหลวงนะไปทำอย่างอื่นเถอะอ้า <c> ว <oughs> คาถามสุดท้ายการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะเป็นอย่างไรเจ้าคะช่วยลดความทุกข์จากอาการริดสียาได้อย่างไรบ้างชูรันพรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในต้นตํำรับจริงๆเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ แต่ในเมืองไทยของเรานี้คนที่เด่นมากๆก็คือหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภท่านสอนด้วยการให้ยกมือนะอาตมาสรุปสั้นๆการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคืออะไรก็คือการที่เราเติมสติคือความรู้สึกตัวลงไปในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทําทุกคําที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเช่นดื่มชาก็ให้รู้ว่าดื่มชาเคี้ยวข้าวก็ขอให้รู้ว่าเคี้ยวข้าวกลืนก็ขอให้รู้ว่ากลืนนั่งก็ขอให้รู้ว่านั่งยืนก็ขอให้รู้ว่ายืน เดินก็ขอให้รู้ว่าเดินทุกทุ ก, ทกความเคลื่อนไหวของเราในทุกๆุกเรี ย, ยบทแม้กระทั่งกระพริบตาลืมตาจะเหลียวจะแลจะคูจะยืดทุกอย่างเติมสติเข้าไปทั้งหมดนั่นแหละคือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อทํามากๆแล้วในอนาคตนะถ้ามันทําเป็นแล้วเราไม่ต้องทําเพราะมันเป็นโดยอัตโนมัติมันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันเหมือนเราหายใจเนี่ยเราไม่ต้องฝึกเลยนะพอมันเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องฝึก เวลาเราจะหายใจก็หายใจเลยถ้าเราเจริญสติเป็นก็คือถึงเวลาเราเคลื่อนไหวจิตเขาจะบอกเราเองว่าเราจะทำอะไรตัวรู้ตัวรู้เขาจะกํากับไปในทุกเอเรยาบดเนี่ยก็เป็นหลักการกว้างๆวตาาัตถุมนตนี่ตื่นได้แค่เนี้ย <c oughs> อาใครเป็นเจ้าของคาถามเชิญมารับรางวัลนหน่อยนะเฉลิมพรเชิญเอาแล้วนะวันนี้เราเดินทางมาถึงคอร์สสุดท้ายก็คือการจัดการความริษยา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 คือไม่เคยแววเสียงทมเลยว่าชีวิตนี้ตัวเองสามารถหลัดสลัดให้หลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นบางชั่วบางขณะหรือได้ตลอดไปฉะนั้นคอสกิเลสแมเนจเมนต์ถึงแม้ว่าไม่สามารถจะทำให้เราทุกคนเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาทันตาเห็นแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าทำให้เราเริ่มเรียนรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นแค่แขกแปลกหน้าของชีวิตและถ้าเรามีวิธีบริหารจัดการที่ดี เราก็สามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระจากกิเลสได้แค่เกิดสัมมาทัศนาขึ้นมาเพียงแค่นี้อรตมาภาพก็ถือว่าคอสกิเลสแมเนจเมนต์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงยิ่งแล้วฉะนั้นตมาจึงต้องขอโนโมทนาผู้สนใจฝ่าธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมคอสกิเลสแมเนจเมนต์ตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งมาถึงครั้งสุดท้ายในวันนี้อรตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์